วิธีสละของทิป น, นิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มบุตราสงฆ์เฉวียงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่ปัรษานั่งกระยองประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี้ดิฉันสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วจึงสั่งให้ซื้อมาเป็นนิสกีดิฉันขอสละของนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่เธอสละให้ด้วยยติกรมะวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าของนี้ของภิกษุณีเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปหฮมุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษา นั่ ง, งรประยง n ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งห่มอุตราส ง, สงเฉวงบ่าข้างหนึ่งนั่งประย o ประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าที่ฉันขอสละของอ น, นี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ ที่ฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า